มิลินทป า, ป า, าปัญหาอุปมาคถาปัญหากุญชระวักที่สี่เรื่ององค์แห่งปลวกประการหนึ่งสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามต่อไปว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ยอดปราด อันว่าองค์หนึ่งแห่งตัวปลวกนั้นเป็นไฉไนพระผู้เป็นเจ้านาเคเสนจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐอุปจิกานามะธรรมดาว่าตัวปลวกย่อมเอาดินมาทำเป็นจอมไว้ข้างบนซ่อนตัวอยู่ข้างล่างหาอาหารกินยะถามีขรุวนาฉันใด พระโยคาวาจอนก็ทำเครื่องบังคือความสำรวมในศีลปิดใจไว้แล้วเที่ยวไปเพื่อบินทบาตครั้นแล้วก็พึงแสวงหาสมณะธรรมล่วงภัยได้ทั้งหมดเพราะเครื่องมุงเครื่องบังคือความสำรวมในศีลดุดตัวปลูกฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์อันหนึ่งแห่งตัวปลวกยุติด้วยคำอันพระอุปเสนาเถระเราจ้า ว, วางคันตบุตรกล่าวไว้ว่า ศีละสังวระฉะทนังโยคีกัตวานะมานสังอนุปริโตวิหรติพยาโสปริมุจตจติความว่าพระโยคาวาจรเจ้ากระทำเครื่องมุงเครื่องบังคือสำรวมในศีลปิดใจไว้เป็นผู้ไม่ผัวพันด้วยกิเลสย่อมพ้นจากภัยได้ดังนี้ขอถวายพระพรเรื่อง องค์แห่งแมวสองประการสมเด็จพระเจ้าวิลินภูมิินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นป ร, ราดองสองแห่งแมวนั้นเป็นชไหนเล่าพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐวิลาโรนามะธรรมดาว่าแมว แม้จะอยู่ในระหว่างถ้ำและซอกเขาและโพรงไม้บ้านเรือนก็ย่อมเสาะสแสวงหาแต่หนูอย่างเดียวเท่านั้นยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าแม้จะอยู่ในบ้านหรือในป่าหรืออยู่ในโคนไม้ในอพโฟกาดในเรือนว่างเปล่าก็เป็นผู้ไม่ประมาสแวงหาโภชนะฉัน ย่อมนึกพิจารณาถึงกายอยู่เนืองเนืองเหมือนแมวโสแวงหาหนูอยู่ฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งแมวเป็นปฐมปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูราณะบอพิษพระราชสมภารธรรมดาว่าแมวย่อม so แวงหาอาหารแต่ในที่ใกล้ๆเท่านั้นยะถามีครุวนาฉันใด พระโยคาวาจรเจ้าก็พึงพิจารณาแต่ความเกิดความดับในอุปาทานขันทั้งห้าเหล่านี้ว่าเบญจขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นดังนี้เบญจขันเกิดด้วยเหตุดังนี้เบญจขันดับด้วยเหตุดังนี้เหมือนกับแมวอันหากินแต่ในที่ใกล้ๆฉันนั้นนี่แหละ เป็นองค์แห่งแมวคำรบสองยุติด้วยพระพุทธดีกาอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านาอิโตุเรพาสิตพังภวัคคังกิงกริสติปัจจุ ป, ปันนำหิโอกาเรสเกกายามหินิพินทติมีความว่าไม่ต้องกล่าวไปให้ไกลแต่นี้นะภวะัคคพรมจะทำอะไรได้ ในขันปัจจุบันนี่แหละพระโยคาวจรบำเพ็ญเพียรไปก็ย่อมจะเหนื่อยหน่ายในร่างกายของตนได้ดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งหนูประการหนึ่งสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาองค์แห่งหนูประการหนึ่งนั้น เป็นไฉไรเล่าพระนาคเษน จ, จึงถวายวิสัชนาว่ามหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐอุนทุโรนามะธรรมดาว่าหนูเมื่อเที่ยวไปข้างโน้นข้างนี้ย่อมเที่ยวมุ่งหวังแต่อาหารอย่างเดียวเท่านั้นยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าเมื่อท่านจะเดินไปข้างโน้นข้างนี้ ท่านหวังแต่โยนิสโสมนาสิการอย่างเดียวดุดหนูฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์อันหนึ่งแห่งหนูยุติด้วยคำอันพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระกล่าวไว้ว่าธรรมมาศีสกังกตวาวิหรันโตวิปัสโกอโนโลีโนวิหรติอุปสันโตสทาสโตความว่าพระโยคาวจรเจ้า เมื่อเจริญวิปัสนาทำความมุ่งหวังในธรรมอยู่เป็นผู้มีจิตเบิกบานมีใจสงบมีสตินึกอยู่ทุกเมื่อดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งมแมลงป่องประการหนึ่งพระเจ้าวิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสถามต่อไปว่าพันเตนาคะเสนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าหน้าคเสน องหนึ่งแห่งมแมลงป่องนั้นเป็นไฉไนพระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาว่ามหาราชะดุราณะบพิษผู้ประเสริฐวิชิโกธรรมดามลแงป่องนั้นมีหางเป็นอาวุธเที่ยวชูหางไปยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็มียานเป็นอาวุธท่านยกยานขึ้นพิจารณาอยู่เสมอ ดุดมแมลงป่องฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์อันหนึ่งแห่งมแมลงป่องยุติด้วยคำอันพระเถรเจ้าชื่อว่าอุปเสนวังคันตะบุตรกล่าวไว้ว่ายานะขักคังขเหตตวานะวิจารันโตวิปัสโกปริมุจจติสภะ พ, พ, พยาทุ ป, ปะสสโหจะโสภเวความว่าพระโยคาวจรเจ้า เมื่อจำเริญวิปัสนาถือเอาพระขันคือยานเที่ยวไปย่อมพ้นจากภัยทั้งปวงได้ภัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะครอบงำท่านได้นั้นยากนักดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งพังพรประการหนึ่งสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสต่อไปว่าพันเตนาคเสน ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้านาคเณนองค์หนึ่งแห่งพังพอนนั้นเป็นไฉพระนาคเษนจึงถวายวิสัชนาว่ามหาราชะดูราณะบพิษผู้ประเสริฐธรรมดาว่าพังพอนเมื่อมันจะเข้าไปหางูมันเอายาทาตัวของมันเสียก่อนจึงเข้าไปยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวาจอนเจ้า เมื่อจะเข้าไปหาโลกคือหมู่สัตว์ผู้มากไปด้วยอาฆาตและความทะเลาะวิวาทและอันความเคืองพิโรธกโกรธขึ้นครอบงำสันดานท่านก็เอายาคือเมตตาทาตัวท่านแล้วดับความกโกรธของเขาให้หายไปหมดเหมือนกับพังพรฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์อันหนึ่งแห่งพังพรยุติด้วยคำอันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ว่า สมาสตังปะเรสังปิกาตภาสภนุทยาเมตตาจิตเตณภริตพังเอตังพุทธณะศาสนังความว่าเพราะฉะนั้นพระโยคาวาจรควรทำความเอ็นดูทั้งปวงแม้แต่คนอื่นตั้งร้อยขึ้นไปและต้องเป็นผู้มีจิตประกอบด้วยเมตตาเที่ยวไปอันนี้ เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งสุนัขจิ้งจอกสองประการสมเด็จพระเจ้ามิรินภูมินทราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคะเสน่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาเฉลิมปราศองสองแห่งสุนัขจิ้งจอกนั้นเป็นไฉนะ พระผู้เป็นเจ้านาคเษน จ, จิงถวายวิสัชนาว่ามหาราชะดุราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาสุนักจิ้งจอกได้อาหารไม่ว่ายอย่างใดอย่างใดไม่มีความเกลียดชังย่อมกลืนกินพอแก่ความต้องการยะถามีคารุวนาฉันใดพระโยคาวะจอรเจ้าเมื่อท่านได้ภูชนะอย่างใดอย่างใดแล้ว ท่านไม่มีความเกลียดชังท่านฉันพอให้เสรีระเป็นอยู่หรือพอเลี้ยงเสรีระเท่านั้นเหมือนกับสุนักจิ้งจอกไม่เลือกอาหารฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งสุนักจิ้งจอกเป็นปฐมสมด้วยคำอันพระมหากัสปะเทระเจ้ากล่าวไว้ว่าเสนาสนามหาโอรุหะข้ามังปินดายปาวิสิง คุณชันตังปุริสังกุฏถิงสักกัจจันตังอุปัททหฮีเป็นอาธิมีความว่าข้าพเจ้าลงจากเสนาสนะแล้วเข้าบ้านเพื่อบินทบาตได้บำรุงชายคนหนึ่งผู้เป็นขี้เรือนกำลังบริโภคอยู่โดยเคารพเขาได้น้อมคำข้าวด้วยมืออันเปื่อยเน่าถวายเราเมื่อเขายกคำข้าวขึ้น นิ้วมือของเขาได้ขาดตกลงในที่นั้นเราอาศัยความทำไว้ในใจเป็นข้าวมูลฉันคําข้าวนั้นได้เมื่อเรากําลังฉันอยู่นั้นจะได้มีความเกลียดชังหาไม่ได้ดังนี้ขอถวายพระพรปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบอพิทพระราชสมภาร ธรรมดาสุนักจิ้งจอกเมื่อได้อาหารมาแล้วย่อมไม่เลือกว่าดีหรือเลวย่อมกินได้ทั้งสินยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวะจอนเจ้าเมื่อได้โภชนะแล้วท่านไม่เลือกว่าดีหรือเลวบริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์ก็ตามท่านยินดีตามมีตามได้เหมือนสุนักจิ้งจอกฉันนั้นนี่แหละ องแห่งสุนักจิ้งจอกคำรบสองยุติด้วยคำอันพระเถรเจ้าชื่ออุปเสนวังคันตบุตรกล่าวไว้ว่าสกจิตตังธรรมยะมาเนนณอิตรีตเรนณสันตุเสลูกนณปิจะสันตุเสนานยังปัตเถระสังพหุงระเสสุอนุคิดทัสสะชาเนณรมติมโน อิตรีตเรนสันตุถิงสามัญยังปริปูรติความว่าภิกษุเมื่อทรมานจิตของตนต้องเป็นผู้สันโดษด้วยของตามมีตามได้และสันโดษยินดีแม้ด้วยของเศร้าหมองไม่พึงปรารถนารถอย่างอื่นอย่างอื่นให้มากนักใจของบุคคลผู้กำหนัดในรถทั้งหลายย่อมไม่ยินดีในฌาน ความสันโดษตามมีตามได้ย่อมยังสามัญญะคุณให้เต็มบริบูรณ์ดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งมฤคะสามประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสณฆ่าแต่พระนาคเสณผู้เจริญองสามแห่งมฤุกะนั้นเป็นไฉพระผู้เป็นเจ้านาคเสณจึงถวายวิสัชนาว่า มหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐมิโคโนามะธรรมดาว่ามฤคะย่อมเที่ยวไปในป่าแต่กลางวันครันถึงกลางคืนย่อมอยู่ในอโภโกาสที่แจ้งยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าท่านก็อยู่ในป่าแต่กลางวันครันถึงเวลากลางคืน ท่านย่อมอยู่ในอภโกาสที่แจ้งเหมือนมรุขะฉันนั้นนี่แหละองค์แห่งมรุขะเป็นปฐมสมด้วยพุทธดีกาอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่พระสารีบุตรไว้ว่าโโซโขอาหังสารีปุตตะยาตารติโยสีตาเหเมนติกาอันตรัถกาเป็นต้นความว่าดุกระสารีบุตร เวลากลางคืนที่เป็นไปในระหว่างเหมันตะฤดูเป็นสมัยน้าค้างตกถึงฤดูเช่นนั้นตกกลางคืนเราอยู่ในอภโพกราเวลากลางวันอยู่ในราวป่าครั้นถึงเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนเวลากลางวันเราอยู่ในอภโพกราตกกลางคืนอยู่ในราวป่าดังนี้ขอถวายพระพร ปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารมารุขะย่อมหลบลูกสอนอันจะตกเหนือตนลีกหนีรอดไปได้และไม่น้อมกายเข้าไปใกล้ลูกสอนยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวะจรเจ้าก็รู้จักหลบหนีกิเลสอันจะมาตกในตนได้เหมือนฉันนั้นนี่แหละ เป็นองค์แห่งมรุคะคำรบสองปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรธรรมดามรุคะเมื่อพบเห็นพวกมนุษย์เข้าแล้วย่อมซ่อนตัวหลบอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งด้วยคิดว่าจะไม่ให้เขาเห็นตัวยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้า เมื่อพบเห็นความทะเลาะวิวาทหรือคนทุศีนคนเกียดคร้านหรืออารามที่อยู่คลุกคลีกันท่านย่อมหลีกหนีเสียด้วยว่าจะไม่ให้เขาเห็นแม้ตัวท่านก็ไม่อยากพบเห็นเขาเหมือนกับมรุคะฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งมรุคะคำรบสามยุติด้วยคำอันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ว่า มาเมกะทาจิปาปิโโชกุสิโตฮีนวิริโยอปะสุโตอนาจารูอสัมมะโตกัตจิอาหุความว่าคนมากมากเกียดคร้านมีความเพียนเลวสามไม่ใช่เป็นคนสดับปราศจากมารยาทไม่ใช่เป็นคนสงบระงับอย่าให้มีแก่เราคือว่า เราอย่าได้พบเห็นเขาแม้ในที่ไหนในการบางครั้งบางคราวดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งโคสี่ประการสมเด็จพระเจา้าเมลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานองสี่แห่งโคนั้นเป็นไฉนะ พระนาคเสนจิงถวายวิสัชนาว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสรศิฐธรรมดาว่าโคย่อมไม่ละคอกเป็นที่อยู่ของตนยะถามีครุว่านาชันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็จะได้ละโอกาสแห่งตนหาไม่ได้ย่อมพิจารณาอยู่เนือ ง, เนองว่าร่างกายของเรานี้ไม่เที่ยง และมีอันเหลวแหลกแตกทำลายกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาดังนี้อยู่เสมอเหมือนโคชันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งโคเป็นปฐมปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุรานะบพิธพระราชสมภารธรรมดาว่าโคย่อมแบกแต่แอกไว้ลากเข็นแอกไปโดยความทุกข์บ้างสุขบ้าง ยถามีครุวนาชันใดพระโยคาวจรเจ้าก็สมาทานพรหมจรรย์ไว้ประพฤติพรตพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดถึงสิ้นชีพโดยทุกบ้างสุขบ้างเหมือนโคฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งโคคำรบสองปุณณะจะัป ร, รังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะ ดูราณะบพิษพระราชะสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่าโคเมื่อกินยาตามความพอใจอิ่มหนำแล้วก็ดื่มกินซึ่งน้ำยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าเมื่อรับคำสั่งสอนของอาจารย์และพระอุปชาด้วยความพอใจและความรักใคร่เลื่อมใสแล้วก็ตั้งใจฟังโดยเคารพ ดุดโคฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งโคคำรบสามปุณณะประรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารธรรมดาว่าโคเมื่อเจ้าของฝึกหัดให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมทำตามทุกอย่างยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้า ท่านก็ตั้งใจรับโอวาทานุศาสตร์ของพระเถระหรือภิกษุผู้ใหม่และปานกลางแม้แห่งคฤหัสหรืออุบาสกผู้เป็นกัลยาณชนใครให้โอวาทแก่ท่านท่านก็ตั้งใจรับเหมือนโคฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งโคคำรบสี่ยุติด้วยคำอันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ว่า ตะทาหูปรัพชิโตสันโตชาติยาสตวัสสิโกโสปิมังอนุสาเสยยะสัมปติเฉยยะมัตเถเกเป็นอาทิมีความว่าถึงผู้ที่สันดานสงบระงับอันบวชในวันนั้นมีพรรษาายุการได้เจ็ดปีแต่เกิดมาจะพึงสั่งสอนเราเราก็ตั้งใจรับไปใส่เสียนกล้าว เราพบเห็นท่านแล้วพึงเข้าไปตั้งความพอใจและความรักใคร่ในท่านเป็นอย่างแรงกล้าและพึงนมัส ก, การโดยเคารพหนึ่งเนืองโดยฐานเป็นอุปชาอาจารย์ดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งสุกรสองประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชโอการตรัสถามว่าพันเตนาคเสณะ ข้าแต่พระนาคเษนผู้เป็นเจ้าองค์สองแห่งสุกรเป็นชไหนคืออะไรบ้างพระนาคเษนจึงถวาวิสัชนาว่ามหาราชะดูราณะบวพิษพระราชสมภารธรรมดาสุกรเมื่อถึงฤดูร้อนย่อมลงคลุกตัวในน้ำยะถามีขรุวะนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าเมื่อจิตกลัดกลุ่มงุ่นงาน ก็จเจริญเมตตาภาวนาอันเย็นประณีตดุจสุกรลงคลุกตัวในน้ำฉะ น, นั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งสุกรเป็นปฐมปุณะจะปรังประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษผู้ประเสริฐธรรมดาสุกรพบน้ำที่ไม่มีเปือกตมย่อมเอาจมูกดุลแผ่นดินกระทำให้เป็นแอ่งแล้วลงนอนยะถา มีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็เจริญกายยะคตาสติฝังอยู่ในใจห้ามอารมณ์ภายนอกมิให้ครอบงำนอนอยู่ดังสุกรฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งสุกรคำรบสองยุติด้วยคำอันพระปิณโดระภารถวาชเทระเจ้ากล่าวไว้ว่ากายสสะภาวังทิสวาณนะวิจินิตวาวิปัสสโก เอกากิโกอทุติโยสยติอารัมมนันตเรมีความว่าพระโยคาวจรเจ้าผู้เจริญวิปัสนาเห็นความเป็นความเจริญแห่งร่างกายแล้วก็พิจารณาไปเป็นผู้อยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเป็นที่สองนอนอยู่ในระหว่างแห่งอารมณ์ดังนี้ขอถวายพระพรเรื่อง องแห่งช้างห้าประการสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าหน้าคเสณผู้เจริญองแห่งช้างห้าประการนั้นเป็นไฉนพระหน้าคเสณจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารธรรมดาช้างเที่ยวไปในปา่าย่อมเอาเท้ากระชุนทาลายแผ่นดิน ยะถามีขรุวนาชันใดพระโยคาวจรเจ้าก็พิจารณากายทำลายกิเลสฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งช้างเป็นปฐมปุณะจะป ร, ะรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุราณะบพิธพระราชสมภารธรรมดาช้างย่อมแลไปตรงๆดูแต่กายของตน จะไปเหลียวแลดูทั่วไปในทิศ ต, ต่างๆหาไม่ได้ยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็เพ่งพิจารณาแต่ร่างกายจะได้เหลียวดูทิศน้อยทิศใหญ่หรือเบื้องบนเบื้องต่ำหาไม่ได้ทอดตาไปเพียงชั่วแอบดังช้างฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งช้างคำรบสอง ปุณณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารธรรมดาว่าช้างจะได้นอนอยู่ประจําแหล่งเป็นหนึ่งนิดหาไม่ได้เที่ยวหาอาหารได้ในที่ใดก็อยู่ในที่นั้นยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็ไม่ได้นอนประจําแหล่งเป็นหนึ่งนิดไม่มีอะไร เที่ยวบินทบาทไปพบประเทศแห่งใดเป็นที่พอใจและสมควรจะเป็นมนดบหรือโขนไม้ถ้าและภูเขาก็ตามย่อมเข้าอาศัยอยู่ในที่นั้นจะได้ทำความปรารถนาอะไรมั่นคงหาไม่ได้ดุดช้างฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งช้างคำรบสามปุณจจะปรัง อีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารธรรมดาว่าช้างจะลงน้าย่อมลงสู่สระปทุมอันกว้างใหญ่มีน้ำใสสะอาดดาดไปด้วยบัวห้าประการและขนองลำพองเล่นตามสบายยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็ลงสูส่สระ คือพระมหาสติปัฐานทั้งสี่ประการอันเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ําอันเย็นใสสะอาดไม่ขุนหมัวกล่าวคือพระธรรมอันประเสริฐดาดาดไปด้วยปฐมชาติคือพระวิมุตติพิจารณาจําแนกสังขารด้วยยานเล่นอยู่ด้วยพระสติปัฐานนั้นตามสบายดุดช้างฉั น, นั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งช้างคํารบสี่ ปุณะจะประรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุราณะบอพิษพระราชสมภารธรรมดาช้างจะยกเท้าขึ้นก็มีสติจะเหยียบลงก็มีสติมีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าจะยกเท้าขึ้นหรือเหยียบลงก็มีสติสัมปชัญญะก้าวไปถอยกลับ ก็มีสติสัมปชัญญะงอเข้าเหยียดออกก็มีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกขณะจะได้ละวางเสียหามิได้นี่แหละเป็นองค์แห่งช้างคำรบพระยุติด้วยกระแสรพระธรรมเทศนาที่พระมหากรุณาตรัสไว้ในสังยุตตนิกายอันประเสริฐว่ากาเยนะสังวโรสาทุ สาธุวาจายะสังวโรมะนสาสังวโรสาธุสาธุสัพพะทะสังวโรสัพพะทะสังวุโตลัชีรักิโตติปวุจติมีความว่าการสํารวมด้วยกายวาจาใจเป็นความดีสํารวมได้ทั่วไปก็เป็นความดีพระโยคาวะจอนเจ้า ผู้มีความละอายสำรวมทั่วไปบัณฑิตย่อมกล่าวว่าเป็นผู้รักษาดังนี้ขอถวายพระพรกุณชรวักที่สี่จบเพียงนี้ในที่สุดวักนี้พระคันธาร จ, จนาจารย์เจ้าผูกอุทานคาถากล่าวหัวข้อบทมาติกาที่แสดงมาข้างต้นนั้นไว้ว่าอุปัจิกาวิลาโรจะ อุนทูโรวิชิกเเกนาจานังกุโลสิงคาโลมิโควราโหโครูปะหัตทีนามีใจความว่าองค์แห่งปลวกองค์แห่งแมวองค์แห่งหนูองค์แห่งแมลงป่ององค์แห่งพังพรองค์แห่งสุนัขจิ้งจอกองแห่งเนื้อองค์แห่งสุกรองค์แห่งโคองค์แห่งช้าง เหล่านี้ท่านจัดเป็นวรรคอันหนึ่งดังนี้แหละ